คือสามารถส่งพลังแห่งความชุ่มชื้นมาให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกลิ่นอันหอมหวนซึ่งมีอยู่โดยธรรมดารูทได้แนะนำข้าพเจ้าให้ลองประคองดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือสักดอกหนึ่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าทำตามก็ได้รู้สึกว่ามีกระแสพลังแล่นเข้ามาสู่ร่างกายทันทีเป็นกระแสพลังชีวิตที่ให้ความสดชื่นอย่างประหลาด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 สร้างด้วยวัตถุชนิดหนึ่งแลดูคล้ายคล้ายกับหินอลาบาสเตอร์มีสีเหลือบสลับกันอยู่ภายในแลดูคล้ายคล้ายกับสีรุ่มของชาวโลกมนุษย์ฉนนั้นแบบของการก่อสร้างส่วนมากก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับในโลกมนุษย์นั่นเองคือบางแห่งก็มีรอยแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นรูปดอกไม้หรือต้นไม้บ้าง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 ก็มีสวนน้อยๆน่าเอ็นดูทำให้บรรยากาศเหมือนกับเทพที่ยายในหนังสือนิทานของเด็กๆฉะนั้นเมื่ออ่านมาถึงเพียงนี้หลายท่านคงจะคิดว่าเมืองในฝันของเด็กๆในโลกทิน่นี้แท้จริงก็ลอกแบบมาจากโลกมนุษย์นั่นเองเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหาได้เป็นฉะนั้นไม่อันที่จริง แบบเมืองและกระท่อมในฝันดังกล่าวนี้มีต้นเขาไปจากโลกทิพย์โดยแท้ศิ ล, ลปินคนแรกที่ได้รับการดนใจจากโลกทิพย์ไปสร้างไว้ในโลกมนุษนั้นชาวโลกคงจะลืมเขาเสียแล้วเพราะเป็นเวลานานมาแล้วแต่ศิ ล, ลปินผู้นั้นยังอยู่ที่นี่ยังทำงานที่ตนรักเพื่อเด็กๆของชาวโลกทิพย์ต่อไปอีกแม้ในบัดนี้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 ให้ลุล่วงไปด้วยดีขณะที่เราเดินผ่านไปก็ได้เห็นเด็กๆบางจาพวกจับกลุ่มเล่นกีฬากันอยู่อย่างร่าเริงบางก็กาลังนั่งอยู่บนสนามหญ้าฟังครูอ่านหนังสืออย่างตั้งอกตั้งใจบ้างกลุ่มก็กำลังศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์จากดอกไม้ซึ่งมีอยู่โดยรอบบริเวณโดยมีครูผู้สอนกำลังอธิบายให้ฟัง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 เนื่องจากเธอมีนิสัยชอบเด็กมากดังนั้นเมื่อเธอมาสู่โลกนี้จึงได้รับหน้าที่ทำงานต่อไปตามความถนัดและใจรักเธอได้รับความสาเร็จในการอบรมบุตรหลานมาแล้วในโลกมนุษย์เป็นอย่างดีและบัดนี้เด็กๆของเธอเหล่านั้นบางคนก็ได้ตามมาร่วมงานกับเธอที่นี่อีกเธอมีความยินดีที่ได้ทำงานเช่นนี้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 เมื่ออยู่จนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวและได้รับการศึกษาพอสมควรแล้วก็มักจะเป็นครูสอนเด็กที่มารุ่นหลังต่อไปชั่วระยะหนึ่งต่อจากนั้นจึงแยกย้ายไปทำงานที่อื่นตามความถนัดของตนบิดามานดาของเด็กเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องของเด็กพูดถึงแก่ความตายมาก่อนบิดามานดาข้าพเจ้าเคยถามเอ็ดวินว่า สำหรับบิดามารดาของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรคือเมื่อเขาตายจากโรคบรรลุตมาแล้วจะได้มาอยู่ร่วมกันดังเดิมหรือไม่เอ็ดวินได้ตอบว่าส่วนมากไม่เป็นฉชนั้นเลยทางนี้เพราะบิดามารดาส่วนมากก็มักจะมีใจลำเอียงเข้าข้างบุตรทิดาของตนเป็นปกติและนอกจากนั้นผู้ที่จะมาเป็นครูสอนเด็กอยู่หน้าที่นี้ได้ เขาต้องเป็นผู้มีจิตใจรักเด็กทั่วๆไปเป็นพื้นมิใช่จะรักแต่เฉพาะบุตรธิดาของตนและยังต้องเป็นผู้มีความรู้ความชนานาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกด้วยคือต้องเป็นผู้รู้นิสัยเด็กรู้ความต้องการของเด็กและทำตัวให้เข้ากับเด็กได้เสมอจึงจะสามารถรับหน้าที่เช่นนี้ได้ซึ่งผู้ปกครองเด็กส่วนมากไม่มีนิสัยเช่นนี้เพียงพออันที่จริง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 ก็ไม่ใช่จะหนักหนาเรื่องเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเป็นแต่เพียงว่าต้องการความสามารถของผู้สอนหลายด้านด้วยกันเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าความเจริญงอกงามของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจในโลกทิพย์นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในโลกมนุษย์มากท่านคงจะจำได้ว่าวันสมองของชาวโลกทิพย์นี้มีประสิทธิภาพในการจาสูงเพียงใด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 เขาจะได้รับการควบคุมฝึกสอนให้ความเจริญของจิตใจและร่างกายนั้นเป็นไปตามแนวของโลกทิพนี้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าแม้เด็กของเราจะโตเร็วกว่าเด็กของโลกมนุษย์ก็ไม่มีคนไหนที่จะทำตัวเป็นเด็กแก่แดดจนหน้ากริดหรือหน้าหมันไส้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยในชั้นแรกเด็กๆ เ, เหล่านี้จะได้รับการสอนถึงเรื่องความเป็นไปต่าง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 ซึ่งเราเรียกกันว่าความตายกายทิพที่ออกไปจากกายเนื้อในขณะหลับนั้นบางครั้งก็ยังคงล่องลอยอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับกายเนื้อนั่นเองแต่บางครั้งก็อาจเข้าไปสู่ภูมิทิพตามชั้นที่สมควรแก่ภาวะแห่งจิตใจของตนได้คือถ้าจิตของผู้นั้นประนีชมากกายทิพก็อาจจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภูมิทิพที่สูงขึ้นไป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 ซึ่งอาจได้ติดต่อพบเห็นบุตรทธิดาของตนที่ล่วงลับไปก่อนแล้วนั้นก็ได้ถ้ามีความปรารถนาแรงพอและในทำนองเดียวกันก็อาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆที่ได้ล่วงลับไปนั้นมารอคอยอยู่ก่อนแล้วส่วนมากกายทิพย์ของบิดามารดาดังกล่าวนั้นจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปพบกับบุตรธิดาของตน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 จึงจะมีการพบปะกันในสภาวะดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าความผูกพัน น, น, นั้นจะเป็นไประหว่างเพื่อนต่อเพื่อนญาติต่อญาติหรือสามีต่อพันยาก็ตามหากความผูกพั น, นระหว่างจิตของบุคคลทั้งสองฝ่ายไม่มีอยู่แล้วอุบัติการเช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนอกจากเป็นการบังเอิญนานๆครั้งเท่านั้นอาณาจักรของเด็กๆณที่นี้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 ที่จะได้มีโอกาสเลือกทํางานตามความถนัดของตนต่อไปในภายหน้ามีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทดลองและสิ่งอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเท่าที่สามารถจะจัดขึ้นได้ทั้งนี้เพราะจะต้องสอนเด็กเล็กๆที่ยังเป็นทารกอยู่จนกระทั่งถึงเด็กโตซึ่งท่านก็คงจะเห็นได้แล้วว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพียงใดไม่น้อยไปกว่าในโลกมนุษย์ทีเดียว